พกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนไหนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเหล่าภิกษุตอบไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขละเหล่าภิกษุตอบเป็นทุกข์พระเจ้าค่าพระศาสดาตรัสต่อว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือ ที่จะเล็งเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเร า, านั่นอัตตาของเราเหล่าภิกษุตอบไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสต่อไปว่าพวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเหล่าภิกษุตอบไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะพระศาสดาก็สิ่งใดไม่เที่ยง